หลังทำเนาะก็จำเป็นเหมือนกันการฟังนันก็เกิดปัญญาได้สุสุสองละเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเมื่อที่เราฟัง พระสวพดพเจ้าแสดงทมขหติดต้อยห้อยตามความสอนที่พระเจ้าได้แสดงไว้นี่ยเอามาทำเราสาธยายพระสวดว่าผู้ดใดประมาทในอริยสัจสี่ ย่อมถึงครามเยเจ็เจตายหรือไปสู่นรกได้อะไรัจิคืออะไรเงินหลงเป็นหลงปัมมาดในอา้ายยัสิแล้วทุกเป็นทุกประมาดในอยัสิแล้วโกรธเป็นโกรธ ใครได้ป่วยร้อนหนาวเป็นไปกับบรรลุว่ปัมมาดในอริยสัจสีถึงแก่ความเกิดก็ถึงแก่ความเียบของตายได้ตายตัว น, นั้นแหละทุกเป็นทุกตายไปแล้วชีวิตเรไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องน้อยนะถ้ามันตายต้งแต่นี้ไป ไม่ได้เห็นออเยสัจฉตามความเป็นจริงก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดมามีชีวิตมันก็เป็นอยู่ดี่หรือต้องรอความเป็นที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดอะไรมาก็เป็นไปตามมันหมดนี่คือความประมาท <c oughs> ส่วนผู้ใดไม่ประมาทก็ตรงนี้เหมือนกันะ่ะมีเหมือนกันเพงหลงก็มีเหมือนกันแต่หลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนี่คืออริยสัจฉีเหมือนโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธนี่คืออริยสัจฉีก็เมื่ประมาทในอริยสัจฉีแล้วได้ทำแล้ว ได้ใช่แล้วซื่อๆเห็นมันซื่อๆตรงๆถ้าเป็นลวันคดงอพอใจคดไปแล้วไม่พอใจคดไปแล้วถูกไหมเขาว่าคดเนี่ยเ <laughs> ่อโค้งไปแล้วเลย <laughs> มันค้งไปแล้วเสียเวลาไปแล้วพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบผิดถูกอะไรต่างๆมันคดโค้งไปแล้วอาจจะไม่ถึงก็ปล่ยปลายทางถ้าเห็นนมันตรงซื่อ เอาสวดในสังฆคุณกกปฏิบัติดีปฏิบัติตงนี่คือทางคือมั ก, มกถึงง่ายสองสามเก้าก็ถึงแล้วเห็ทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นจา ก, กทุกข์ถึงแล้วนี่คือทาง เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นเจ้าคงโกรธคือทางอเยสัตถีเป็นอย่างนี้สามสี่อันที่มันที่มันที่มันจะต้องผ่านอย่างผ่านได้อย่างงดงาม ทุกมันก็ไม่ไม่มีรุ่นรุ่นมันมีเหตุก็เห็นมันเอกเมื่อบันมีอย่างนี้ก็ต้องทำลงไปทำแล้วหรือว่ามันข้างคาอยู่ทุกเห็นแล้วหรือยังละแล้วหรือยังทานได้แล้วหรือยัง กรพวกนี้อะไรก็เหมือนกันหมดทำแล้วหรื อ, อยังหรือเป็นงานข้างเป็นงานยุ่งเหยิงสับสนแล่วก็ไม่ใช่ได้ไปทำอืมแล้วก็ไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุไม่มีผลทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุเหตุมปนอยู่ที่นี่นิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุมัน ก, ก็สองอย่างเท่านี้อะไรก็มีเท่านี้มรรคเป็นเหตุมรรคคือทำแล้วพ้นแล้วออกไปแล้วมรรคคือออกไปไม่มเห็นไม่เป็นนี่เป็นมรรค เห็นให้เป็นเป็นมรรคพ้นจากเป็นเป็นผลหรว่านิโรธอยู่ที่ไหนเหรอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เข้านโลธไม่กินข้าวได้เจ็ดวันไม่ใช่เด็ขดขาดอย่างที่เขากำลังทํากันอยู่โฆษณากันอยู่อาจารย์หลวงพ่อองค์นั่นเข้านโิโรธสบาบัตดไม่กินข้าวได้เจ็ดวันแปดวันสิบวันแล้ว ไม่ใช่ในโลดแบบนั้นอาจจะเดินอยู่นั่งอยู่แล้วก็เป็นในโลดได้คือเห็นไม่เป็นแล้วก็พ้นจากภาวะที่เป็นก็คือคือความถูกต้องปฏิบัติ ตงปฏิบัตดิดีปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรนั่นคือเรื่องนี้ผู้ใดทำเรื่องนี้หรือว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้เอาเครื่องหมายมางุ่งผ้าหลงุ่งสีดำสีขาวสีเหลืองสีไหนก็ได้ว่าแต่ทำอย่างนี้เป็นจึงเป็นสากคน ที่สุดคาสอนแล้วก็เป็นอันเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่คนละอยา่างก็ขอขอแสดงสนุสนขอพูดอย่างนี้ให้เอาไปใช้ลองดู ถ้าใช่มันก็ใช้ได้ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันก็มีกับเราแต่เราไม่ใช้มันมันก็เลยไม่จบสักทีแล้วก็ไม่ใช่ก็ใช่ไม่เป็น ก็เลยผิดฝาผิดหนังไปเราจึงมาศึกษาอย่าจนเถอะพวกเรามันดีดีนะรสชาติคำว่าลู่ชื่อๆเนี่ย มันเป็นรถพระธรรมมันชนะรถทั้งปวงไนดะ้ยามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเลมันมีรสชาติมันซื่อๆถ้าความหลงมีรสเผ็ดรสเข็มก็จืดไปเลยถ้าทุกมีรสเปรี้ยวรสหวานก็จืดไปเลยรู้ซื่อๆตรงนั้นะรถพระธรรมย่อมชนะรถทั้งปวง เห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บพ้นจากความเก็บเห็นมันแก่ไม่เป็นผู้แก่พ้นจากความแก่เห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายพ้นจากความตายไม่ลดที่สุดเลยนี่รสชาติตรงนี้มากรสพระธรรมถ้ารสของโลกก็อาจจะต้องผมลงให้เสียอกเสียใจ ทุกเป็นทุกลดของโลกสุกเป็นฉุขลดของโลกลักเป็นความลักชงังเป็นความชางังเป็นลดของโลกสัดโลกต้องติดลดอย่างนี้เป็นส่วนมากผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนะักคือมันเป็นอย่างนี้ ย่อมท่องเที่ยวอยู่ในลักษณะแบบนี้หลงแรอหลงเอกหลงเป็นหลงสุกเป็นโฉกทุกเป็นทุกท่องเที่ยวอยู่ในฝังเงาไม่มาฝังนี้ต้องตัวใครตัวบันนะไม่มีเรื่องที่จะอ้างถ้าทาถ้าทาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรมาอ้าง เป็นเรื่องส่วนตัวเราจึงจัดจิตกรรมอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสิบวรรอมให้ไปใช่กันการอื่นเวลาอื่นอาจจะชีวิตไม่ใช่ส่วนตัวเท่าไหร่ เป็นครอบครัวก็ทุกอย่างจะได้กินอะไรสิ่งที่จ้องกินจะหาได้ที่ไหนคนนั่งคนนี้จะเป็นอย่างไรปัญหาเสียงของเป็นยังไงอะไรอยู่ที่ไหนจะ ต, ต้องทบทำอันอื่น ใา่ชีวิตแบ่งปันไปมากมายจนไม่เป็นงานที่ทำเป็นเรื่องของตัวเองเป็นอัตราที่ปฏายะไม่ตั้งทนี้ไปตั้งที่โลกาที่ปฏายะเท่อโลกเพื่อนู่นเพื่อนี่ไปเวลานี้การนี้จะกินอะไรจะอยู่ยังไงไม่ต้องคิดแล้ว ให้ท่านทาอย่างนี้ให้มีสติเต็มที่ไม่มีใครไปแบ่งปันใช้เต็มที่ ท, ท, ทุกปีนาทีก็าได้ <c oughs> อยู่ในกายเราหลบออกมาใช้ใจก็ออกมาใช้ <c oughs> เพื่อการนี่ลองดูเรียกว่าเปาลบตนเป็นที่ตั้งไว้ก่อน เมื่อก็ว่าปลาลบตนเพจตั้งมนได้ทิศทางก็ปลาลบโลกไปเองปลารบรำไปเองเพื่อตนเพื่อโลกเพื่อทำไปเองเหมือนพระศาสดาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกประโยชน์เพื่อธรรม ตาิริยายาตาทาักิริยาโลตาทาักทิริยาพุทธาทาักทิริยาไปเองหน้ข้างพระองค์ตัดจรุ้นใหม่มันก็ไปเองเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ล่ะจะไปสอนใครเนาะเดี่ยให้ใครมารู้เรื่องนี้อีกเนาะ อคิดหาคนที่มาลงเออเปรียบเทียบขึ้นหลายแบบเปรียบเทียบกับบัวพ้านน้ำบัวเพียงน้ำบัวครึ่งน้ำบัวใต้น้ำเออมันก็มีอย่างนี้แน่นอนบัวพ้านน้ำ ม, มันจะต้อตรงรู้ทันทีดังนี้ใครละ่ะเอาคนนี้ไปก่อนเถอะอย่าปล่อยทิ้ง มองเห็นใครปาลาลบโลกไปแล้วปาลาลบไม่ใช่ปาลาลบเสร็จไปอย่างเหมือนกับจับพิษก็ไดนะ้เมื่อปลาลบโลกก็ปล่อยทำหน้าที่ของโลกนะมันไม่อได้คนนะออกมาจากโลกมันออกมาอย่างไบบนี้ทำไมจะไม่เป็นเราก็เป็นอย่างนั้นบัตตี้เราไม่เป็นอย่างนั้นโลกมันเป็น โอ้มีทุกข์จริงไหมมีทุกข์โอ้มีโกรธจริงไหมโกรธลูกเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้สอนไปสอนคนน่ะสอนคนเพื่ออะไรเพื่อทำโอ้หลงเพื่อไม่หลงจึิงจะเป็นเพื่อทำทุกข์เพื่อไม่ทุกข์แกลเพื่อไม่แกลเจ็บเพื่อเพื่อไม่เจ็บตายเพื่อไม่ตายมราต้องเป็นอย่างนี้ เราทำเต็มที่นี่เป็นไปเองเราจึงตั้งต้นในโอกาสเช่นนี้เวลานี่หมอแล้วมนุษย์สมบัตินีกายมีใจมีรูปมีนามมาใช้เพื่อการนี้ลองดูให้รู้สึกตัวไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องสรา้างเจ้าวะก็ได้ เก็บได้ทั้งหมดเก็บตกหลายๆอย่างเหลือยงสร้างจังวะเข้ากรรมฐานยิ่งดีใหญ่อยู่ในเช่นบรรทัศนเมื่ออยู่ในเช่นวันทัดมันจะบรรจงเมื่อปะมันบรรจกมันจะเป็นศิลปะแล้วเขียนหนังสือในเช่นวันทัศนัดใหม่ใม่ ทำไรที่มันมีเชื่อตรง g เฮิร์ทำเศไปใหม่เอาไปมามันก็ต้องมาอาศัยไม่อาศัยเช่บนบรรทัดไม่อาศัยอกอบนอกกอบก็เจ๋งนอกอกรอบไม่ใช่เจ๋งในกรอบแต่มันเจ๋งในอกอบโกดมันยังเจ๋งนกอกอบเราเขียนหนังสือไม่ต้องอาศัยบรรทัด อย่างเขาที่เลียนมัตกรรมศิลปกรรมนวกรรมก็ไปต้องอาศัยตำราตาออกมาได้เลยเขียนใบบัวก็เป็นใบบัวเขียนคนก็เป็นคนเขียนผู้หญิงเป็นผู้หญิงเขียนผู้ชายเป็นผู้ชายเขียนนกเขียนหมาเป็นหมูเป็นหมาไปเลยมันเป็นแล้วคือทำเป็น มาใช่รู้อ ะ, อะเบื่อไหมพูดแต่เรื่องเก่าลงอหลวงตาพูดว่าหลวงตาเป็นกาล่องแม่เป็นอยู่นี่กากาอยู่ที่ไหนก็ขอล่องกากาแบบนี้น่ะมาเป็นคาดกา ก็อย่าเอาอย่างกาบางทีก็กามก็ไม่ค่อยดีเสมอไปแต่ว่ามีดีอยู่นะแรงก็ดีเหมือนกันแต่มองแบบนั้นแรงรูปรูกลุกลุยเสพสัตยตายกายสวยขียดคุกเตจิตนั้นมุ่งสู่การกุศลแล้งไม่กิน สัตว์ที่มีชีวิตเลยลุกลุยเหม้นจากเหม็นข่าวแต่ส่วนที่อินหนึ่งไม่ได้ทำให้ใครเรือดร้อนเก็นซากเก็นซบฟต์อย่ามางมองหลงพ้ากมหลงโขดหลงงออาจจะเป็นแล้งลุก <laughs> ก็เถ้าแก่งอกกุ้งเงินเอินการนุนคุขะหนามหนาแต่ภายในรถโอสสาแต่ภายในมนุษย์ออกขาดุนม่รู้ลงองเป็นหนามหนาหนาแต่ภายในรถโอสสา แคบดีเา ะ, ะก็มองให้มันเห็นเก็ดแท้อะไรอะไรก็ตามมันหลงมันละแกนมันไม่ใช่เนี่มันไม่หลงนั่นลหละมองไปเลือกเอาตืออได <c oughs> ในกายในใจเรานี่เลือกได้ทุกอย่เอาให้แม่นยําถูกต้องไปเลยอะไรที่มันเกิดขึ้นวายกับใจเรานี้เป็นของใช้ได้ได้ประโยชน์จากบานันฑทั้งหมดไม่ใช่อะไรที่เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเลยมันมีให้เราใช้มันมีให้เราฉลาด ถ้าเราใช่เป็นก็ได้ความฉลาดแต่ใช้ไม่เป็นก็โง่ไปเลยโ <c oughs> ง่ไปเลยโง่ไอเงาไปเล ย, เเลยพูดเรื่องไอโง่ไอ เ, เงาไอโง่ลูก พ่อแม่มีเงินมีทองพ่อแม่ตายไปมอบเงินมอบทองให้จำนวนมากไอ้งูเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนมีแต่กลัวว่ามันจะหายเฮ้ยเอาไปฝังไว้ในสวนตอนกลางคืนเมื่อฝังแล้วก็ญยาแฝกมาโปกไปข้างบนก็ ย, ยังกลัวคนจะเอาอยู่ เขียนป้ายไปเลยที่นี่นายงูไม่เอาทรัพย์มาฝังไว้เลยฟังไปเออนี่ถูกต้องแล้ววเท่านั้นคนมีขวามง่คิดเท่านั้นแต่พอดีนายงูไปถ่ายในป่าไปเห็นกอแฝกปลูกใหม่แล้วเห็นป้ายไว้ นายงูไม่ได้เอาทรัพมาฝังไว้ที่นี่เลยนายงูก็คิดเอออาจจะนายงูเอาพักทรัพยตามฝังที่นี่ลองขุดดูซิพวกขุดไปเห็นเงินเห็นทองมากมายขนดออกไปเลยเพราะขนออกไปแล้วกลัวว่าเขาจะรู้ว่าตัวเองรักขโมยทรัพย์ไปเฮ้ยเขียนป้ายไป อ, อกไปีก นายเงาไม่เอาทรัพย์ไปได้นายเอ๊นายเงาไม่ได้เอาทรัพย์ที่ดีไปเลยมันก็ทั้งสองคนเนอะพอจะเจอโง่ทั้งสองคนเราโกรธอ้างคนมึงไม่รู้จะกโกรธเลยทั้งง่ทั้งเงาอายพลังแลนวโกรธก็ยักไปบอกก็อยู่ แตดงออกงูดับมึนโง่ไปแ็นที่โกรธจะกระกำไปมันเป็นเรื่องอะไไม่เอาเลยจะแดงออกทันเถอะที่ทน้าที่ตาดดากันนายง่นในเงาอยู่ในเรานี่มีเยอะเรอะตอนนั้นโอ้ยเห็นความโกรธไ้ย มันเป็นเพชรเต็มจินดาเพียนไม่โกรธเนี่ยมันได้ของกิอยาประมาทใยอิริสสัจติคือตรงนี้นะอ่ะิริสสัจติคืออะไรคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันเป็นเกณฑ์มันเป็นกฎเกณฑ์ในชีวิตตรงนี้ให้ใช่ให้มันสำเร็จจ้า ถ้ามีหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนะ่ยจบไปแล้วใช่ได้เราวบเป็นแต่ก่อนหลงเป็นคนเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเป็นมนุษย์ขึ้นมาเลื่อนฐานละได้เนี่ยเมื่อมันเป็นตึกทั้งใดก็ชํานาญเรียกว่าเกตเกตดีง่ายๆแล้วบัดเหมือนเราเรียนหนังสือเกตดี เลื่อนชั้นได้ง่ายอย่าเป็นคนไม่ใส่ใจทิ้งคว้างปึกหนาสาหโหดตรงนี้หัดตนให้ว่านอนสอนง่ายโศจัตตาเป็นผู้ง่ายง่าย <c oughs> ไม่เบี่ยงนยาก เราจะทำอะไรอย่าไปเอายากเอาง่ายอย่าไปเอาผิดเอาถูกอย่าไปาความสะดวกให้คนอื่นช่วยไม่ต้องการความสะดวกไม่ต้องการใครช่วยให้มันยิ่งใหญ่ <c oughs> ช่วยตัวเองจะกอด เืิต้นมึงช่วยตัวเองก่อนอะไรก็อะไรก็ให้คนช่วยนะมันจะอ่อนแต่หัดช่วยตัวเองเริ่มันมีทุกช่วยตัวเองขอนส่งทุกมันหนักขนส่งให้มันเบาออกมาต้งจากช่วยตัวเองแบบถ้าใครไปช่วยตัวเองก็ไม่มีคนอื่นช่วยได้ พระพุทเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองถ้าใครช่วยตัวเองช่วยง่ายบางทีเขาไม่ให้ช่วยก็มีคนบางคนน้อยจะพยายามช่วยอยู่ก็ไม่ยอมมีเหมือนกัน บอกให้รู้สึกตัวเอาเบอร์บางไว้เขายกเมือขึ้นอยกแลยวไปเดี๋ยวก็คว่าเสื้อตะก้ามาพูดลองเงินไปเอาอีกเอาบางไว้ก่อกระต้ามาเอามือบางไวไ้รู้สึกตัวไปพบกับพระผู้ใหญ่ท่านก็สนทนาธรรมแลวมีกระถน ครึ่งโศกสูงก็มีห่อมากเขียบ ม, มากอย่างเดียงมทำให้เดี๋ยวก็เอาเชือจับแล้วก็จับกระถันมานพยายามีจะพูดเรื่องสติมือไปไหนก็ให้รู้สึตตัวใช่มหมเวลาท่านไปจับกระ ถ, ถันก็หลงลวเวลาท่านห่อหนักก็เที้งไปก็ช นั่งอยู่ไม่นานเท่าไหร่คำกินยึงจาจาจำจาจำ จ, ำ จ, ำจำโอ้ยอวดมาห้าสิบปีแต่ว่าอยากสนทนาธรรมกับสนทนากับท่านไม่ไม่มีช่องเลยเหมนติดอะไรปลงพลังดินพ่อขาหมู โอ้ยน่ากลัวนะบนแต่ความแย่ความเพียบความตายไม่สบายพอเห็นหน้ากันผมเป็นนั้นผมเป็นนี้ดูท่าทาหน้าตาอิดหวยรลอ ย, ลยแรงมันก็หนักมันก็ไปสู่จุดนั่นลดของโลกมันร่วมคอก เก็บเป็นเจ็บทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงแครเป็นแครโยมรับหมดเนื่อหมดตัวแต่ถ้าเดียร์จีตยอมรับแต่ไม่จำนวนยอมรับว่าทุกมีแต่ไม่ได้ทุกพระความทุกแคร์มีแต่ไม่ได้แก่์ประความแค่ เครื่องแก่ทำอะไรให้เราไปได้นี่คือชีวิตที่มไม่เป็นอะไรยิ่งใหญ่มากภาวะไม่เป็นอะไรเนี่ยเหมือนแสงอาทิตย์แสงพระจ์ฟังทะเลภูเขาแท่งทึบไม่สะเทือนเพราะลมก็มไม่เป็นอะไรเนี่ยนั่นะจึงเครื่องแก่ความเก็บความตา่อย ไม่ได้ทำให้ความไม่เป็นอะไรได้ภาวะไม่เป็นอะไรได้ภาวะไม่เป็นอะไรใหญ่คือชีวิตเนี่ยไม่เป็นอะไรในคือชีวิตมันเจ็บแหนมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเนี่ยคือชีวิตนี่เป็นมาจรฐานเป็น อะไรก็ไม่รู้น <c oughs> ี่แต่เอาสมมติมาพูดกันถ้าจะต้องพูดล่ะเน่คืออะไร ป, ป, ปิดปากปิดปากไม่ต้องพูดอะไรไม่มีสิ่งที่ต้องพูดถ้าพูดอะไรออกมาก็เป็นสมมุติบัญญัติจะต้องปิดปาก เหมือนจำนักอาจารย์มีผู้ปฏิบัติามากายเข้าคอร์สแล้วเช่นกำหนดแล้วอาจารย์ถามสอบอารมณ์เป็นยังไงก็มีคนห้อารมณ์เป็นอย่างนั้นจากดีรู้จักโน้รู้จักดี เห็นรูปแผนเห็นนามธรรมเห็นรูปทุกเห็นนามทุกเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุอาการต่างๆ่าางคก็พูดว่าเห็นกุศลอกุศลกุศลคือไปทางหนึ่งอกุศลไปทางหนึ่ง บางคนก็พูดถึงเรื่องมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามากกว่าก่หลายคนหลายพูดไปเหมือนการบทบางคนก็เป็นเหมือนกันแต่มีคนหนึ่งยืนขึ้นอุอยากจะบอกอาจารย์ก็ถามว่ายืนขึ้นเฉยเป็นยังไง ไม่ปิดปากไม่พูดเลยเลยบอกว่าเป็นอะไรไม่พูดเลยปิดปาก 3, 2, 3ท้องสามสสามข้างก็ไม่พูดเลยเลยปิดปากไปเล ย, าเลยอาจารย์เลยยกจ่องคนที่ปิดปากน่าแกณฑ์ธรรมได้แขณฑไป โอที่พูดนู้นโทษนี่ได้เปลือกได้กระพี้ได้เก็บไม่ถึงแก็บคนที่ไม่พูดคือคนนี่ได้แก็บไปอาจารย์ก็บอกว่าเอาเอาขนของเราไปคนนี่เอาขนไปคนนี่เอาหนังไปคนนั้นเอาเนื้อไปคนที่ไม่พูดเอากระดูกแขนไป ก็เจดอ้าวเหรเนาะวันนี้ก็พอสมควรเทเวลาอาภัพ ร, พร้อมกัน